อาตุชนพุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาลูกหลานที่รักวันนี้ก็มาคุยกันเรื่องของมโหสถความจริงเรื่องของมโหสถนี่ยาวมากแล้วก็เป็นเรื่องที่ใช้ปัญญาโดยเฉพาะเขาถือว่าเรื่องนี้เป็นที่พระพุทธเจ้าทรงปัญญาบา ร, รมีคือบำเพ็ญปัญญาบา ร, รมี โมโหสดก็คือพระพุทธเจ้าแต่ว่าท่านทั้งหลายผู้รับฟังฟังไปด้วยตเจตนาการตั้งใจจริงแล้วก็ตั้งใจจำในด้านของเรื่องปัญญาการแก้ปัญหาแล้วเรื่องมอโหสดนี่จะช่วยท่านได้มากเหลือเกิน <c oughs> แต่ะว่ามโหสดเป็นคนที่ใช้ปัญญาสดสดจริงๆ คำว่าสดในที่นี้หมายความว่าสิ่งที่เกิดขึ้นส่วนมากจะเป็นของปัจจุบันแลว้วใช้ปัญญาดโดยฉับลันหากว่าท่านผู้รับฟังรรมณาลูกหลานที่รักฟังด้วยความตั้งใจแล้วก็จดจำเหตุการณ์และปัญหาที่มโหสถแก้จะเป็นการรับปัญญาของเราให้คมเหมือนกับเรารับมิีดในหินที่ดี ในปัญญาของเราก็เหมือนเหล็กดีไม่หินดีแล้วก็เหล็กดีด้วยรับคม ง, ง่ายใช้ได้ผลดีนี่เกร่งกันไว้ก่อนถ้ามาเรื่องมโหสถนี้คงจะไม่ต้องแทรกธรรมะมา ก, มากแต่ว่าบางจุดเตรียมแทรกไว้พอเป็นแนวทางใงการปฏิบัติเรื่องนี้ช่วยมากแล้วเรื่องราวของมโหสถก็มีอยว่ามโหสถ เป็นบุตรชายของท่านเศรษฐีซึ่งมีนามสิริวัฒกะสิริวัฒกะนะสิรินี่เขาแปลว่ามีข ว, วัญวัฒกะนี่แปลว่าผู้มีความเจริญหมายความเป็นผู้มีความเจริญในมิ่งขวัญคือความดีอย่างยิ่งนี่เป็นชื่อคนชื่อคนน้นไม่แน่นะลูกหลานที่รักบางคนชื่อดีแต่เลวชื่อเลวแต่ดี ใ น, นการตั้งชื่อเนี่ยไม่ต้องไปหาหมอตั้งให้มันเลยจะตั้งว่ายังไงก็ได้ถ้าคนมันจะดีแล้วว่าคนจะเร็วถ้ามันดีที่ชื่อแล้วก็ไม่ต้องประพฤ่งปฏิบัติมันก็ดีไปเองบางทีคนเชื่อว่าจเจริญแต่ ว, ว่าซวยบอกให้ถูกชื่อในดีแต่มีความประพฤตงเร็วบอกไม่ได้เลยนี่มันแย่แย่ไปเป็นอันว่าชื่อไม่มีความสําคัญย้อนนิด โอโห่สดนี่เป็นบุตรชายของสิริวัฒกะเศรษฐีท่านนางสุวรรณเทวีเมื่อคลอดออกมาก็มีแท่งยาในมือมียาเป็นแท่งติดมือมาท่านเศรษฐีบิดาท่านเป็นโรคประสาทคือปวดศิษะมาและเจ็ดปี เห็นลูกคลอดออกมาอย่างนั้นถือแท่งยางออกมาด้วยจึงเอาอยาแท่งยางนั้นมาผลเข้ากับหินบทแล้วก็ทาที่นาภาผกอาการที่ปวดที่สะมาทั้งเจ็ดปีก็หมดไปหายไปทันทีเห็นความศักดิ์สิทธิ์ของอยางนั้นแล้วก็ความศักดิ์สิทธิ์ของอยางนั้นก็เผยแพร่ต่อไปปา ก, กต่อปากผู้กันต่อต่อกัอนไป ทีนี้ใครใครป่วยใข้ไมส่สบายก็มาหาท่าน ม, มหาเศรษฐีถ้ามหาเศรษฐีก็ใช่ยาแท่งนั้นแหละผลให้รักษาให้ก็หายทันทีทันใดฉะนั้นท่านมหาเศรษฐีจึง ต, ตั้งชื่อดูกชายว่ามโหสถมโหสถเป็นแบ่งศัพท์เป็นสองอย่างมหากับโอสถโอสดประวัยมหาประวญ่แปลว่าหมอยายใหญ่รักษาโรคได้ทุกอย่าง ในความจริงโมโหสดตัวจริงๆนี่ไม่ใช่รักษาได้เฉพาะโรคทางกายมันจะโรคทางใจโรคเกี่ยวกับปัญหาต่างๆในด้านปัญญาใช้ได้ไประอย่างดีที่ให้นามวม่าโมโหสดก็ถูกต้องท่านมหาเศรษฐีได้บอกว่าวันที่บทของเราเกิดนี้คงจะมีเด็กๆลูกคนอื่นเกิดอีกมาก เพียงได้ไปตำรวจ ด, ดูก็ทราบว่ามีเด็กๆที่เกิดวันเดียวกันกับโมโหสถลูกชายถึงพันคนอย่างนี้ที่ท่านเรียกว่าสหาชาติคือเกิดพร้อมกันในวันเดียวกันท่านฤาษีจึงเรนนาเครื่องประดับไปมอบกรบรรดาธารกคืนเด็กๆท่านหลายเหล่านั้นแล้วก็มอบนางนมเพื่อพี่เลี้ยงและมีน้ํานมด้วย ที่พันคนหมายความเอาเครื่องแต่งตัวไปให้ด้วยเอาของไป เ, เลี้ยงด้วยเอานางนมไป เ, เลี้ยงด้วยช่วยเขาเลี้ยงถือว่าเป็นเพื่อนเกิดกับลูกชายของท่านนี่ต่อมามโหสถมีเพื่อนเด็กเด็กรุ่นเดียวกันมากมายตั้งพันคนเมื่อโตพอวิ่งเล่นได้ก็เล่นโหริกันอย่างสนุกสนาน ความจริงก็คิดว่าเหมือนกับเป็นพ่อเดียวกันจระทั่งไ้ท่านมโหสถอายุได้เจ็ดขวบท่านมโหสถนี่มีรูปร่างงดงามสง่าผ่าเผยกว่าทารกกเดกค น, เดนอื่นนแล้วก็มีกำลังก็แข็งแรงกว่าวันหนึ่งขณะที่กำลังเล่นกระเชิญอยู่ฝนตั้งเข้าลงมา เพราะจากฝนตั้งเขาไม่รู้หลานที่รั ก, กที่มันคึมๆทำท่าฝนจะตกเ้าเรียกว่าตั้งเขาพอ้โหสดเห็นดังนั้นก็วิ่งหลบไปถึงสไลด์แห่งหนึ่งด้วยความเร็วเขามีกําลังกว่าวิ่งเก่งกว่าเวลานี้เล่นกีฬาวิ่งเก่งมากแต่วรรดาเด็กท่านหลานนอกจากนั้นวิ่งตามไปข้างหลังเหยียบกันล้มลุกคลุกคลานไปบ้าง บางคนก็เท้าแปลงบางคนก็เข่าแตกบางคนก็หัวโหนเมื่อท่านไม่เห็นมโมโหสดเห็นดังนั้นในลูกหลานที่รักอาจจะแปลกใจนะว่าหลวง ป, ปู่ไปเรียกท่านมโมโหสดยังเด็กๆความจริงมโมโหสดคนนี้ก็คือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สมพระนามว่าสมณะโคดมเป็นสมัยที่พระองค์ทรงเกิดขึ้นในชาตินั้น บำเป็นบารมีในด้านปัญญาบารมีครบถว้วนเวตนนั้นว่าท่านโมโหสดเห็นดังนั้นจึงคิดจะสร้างสถานที่สําหรับเล่นให้สะดวกสบายคือเล่นทั้งเวลาเวลายืนเวลาเดินเวลานั่งเวลานอนเวลาวิ่งจะไม่ต้องไม่ต้องตากจาคือไม่ตต้องตากแดดตากฝน ยิงแก้งขมันดาเพื่อนเด็กๆทราบแล้วขอบอกว่านี่ฉันจะสร้างสถานที่เล่นของเราให้มันสะดวกสบายเยนั่งเล่นยืนเล่นนอนเล่นนั่งแล้วก็วิ่งเล่นอะ้วก็ไปเถอะมันสบายสบายยิ่งได้บอกขมัรดาเด็กๆทั้งหลายเร้ท่นทราบแล้วก็ขอให้ทุกคนนำเงินมาคนละหนึ่งกระหาบันะหนึ่งกระหาบณ ะ, ะนี่เท่ากับสี่บาทสมัยเมื่อหลวงปู่ เล็กๆหนึ่งบาทที่รูหลานที่รักซื้อก๋วยเตีย๋ยนี่สี่สิบชามตอนนี้ต้องสี่บาทนี่สี่สามสิบสองซื้อก๋วยเตีย๋ยที่ร้อยยี่สิบชามยนสมัยนั้นมีค่ามากเมื่อได้ก็หาบรรณัคนะือเงินมาครบหนึ่งพันคนละเหรียญเนี่ยเอากันคนละเหรียญเทียบก็เห็นจะเป็นเทียบกับเหรียญของอเมริกาเรียกว่าดอน นึกว่าเป็นเงินปอนสตอลิงของอังกฤษกคนใดได้เงินมาพันเหรียญยังเรียกให้ช่างมาจัดทาในช่างเหล็กปราบพื้นที่ให้เสมอแล้วก็เชือกขึงกะที่มองว่สดเห็นในช่างขึงเชือกมองดูแล้วไม่ถูกแบบก็ไม่ถูกใจถ้าทำอย่างนั้นมันดีไม่พอมีอายุเจ็ดปีเท่านั้นนะ ก็เข้าไปบอกขอให้ขืนเชื่อสมัยในช่างไม่ยอมเพราะถือว่าเขาเป็นช่างนี่ยเขาไม่ยอมเขาไม่ยอมทําตามว่าฉันเป็นช่างเนี่เด็กตัวเล็กๆทั้งนี้จะมาจะมาสอนฉันให้ฉันเชื่อไม่ได้นี่สันดายคุณโง่ความจริงคนฉนลาดในโลกหลานที่รักจงจนะําไว้นะมาบังเอิญถ้าลูกหลานตัวไปชนา ถ้าไปพบคนที่ก็เด็กกว่าหรือว่าเรามีความรู้สูงจบปริญญาทั้งหลุสตีบัณฑิตที่เรียกว่าด็อกเตอร์จะไปพบตาสีตาสาเข้าในเกตของเขาที่เขามีความชานาญถ้าก็เห็นเราทําอะไรหรือว่าแนะนําอะไรอย่าเพิ่งไปคิดว่าเขาเลวกว่าเราก็มีความรู้ไม่เท่าเราก็มีความสามารถไม่เท่าเรา เพราะว่าวิชาความรู้นําเราเพียงแต่เรียนเรีนกับทำรรนี่มันมีผลไม่เสมอกันถ้าเขาชำนานในการทำถึงแม้ว่าอันเราเสียไม่ออกสักตัวดีไม่ดีเราสู้เขาไม่ได้เนะี่ะลุงปูเคยพบมาเยอะแล้วลุงปู่สู้เขาไม่ได้ก็มีหลายคนที่สู้เขาไม่ได้อาศัยความชำนาญจะสู้กันมากไปเลยไมนยาเสียเวลาเมื่อในช่างไม่ยอมทําตาม ที่นี่บอกมหาโหสถว่าได้ทําตามศีล ป, ปะคือความรู้ของตอนแล้วนี่มโหสถจึงเอาเชือกมาขึงใช่เองเชื่อกที่มโหสถถึงก็เป็นเหมือนกับหนึ่งในภาษาบาลีในภาษาหนังสือในพุทธปังในตัวเรื่องเหมือนกับมีสภาพท้าวิศณุกรรมขึงเชือกวิศณุกรรมนี่คือเป็นช่างของพระอิ์ ในช่างเองก็ทําแบบนั้นไม่ได้ในช่างขอให้มโหสถเป็นผู้ให้ความคิดในการจัดทำท่านมโหสถจึงได้จัดแปลนสถานที่เป็นห้องห้องเพื่อจัดเป็นห้องสําหรับเด็กหญิงอนาถาคลอดบุตรนี่นะสาหรับหญิงอนาถาเปที่คลอดบุตรคือคนจนๆอนาถาไม่ว่าจน อ น, นาถาเนี่ก็เปรตวหาที่พึ่งไม่ได้คือไม่มีทรัพย์ไม่มีสินเป็นที่เพึ่งเป็นที่สําหรับหญิงจนจ น, จนคลอดบุตรห้องหนึ่งจัดเป็นห้องสําหรับพราหมณ์สมณะฤทธีพรา ม, ารามคือพระหรือว่าพรามพนักบดมาพักห้องหนึ่งจัดเป็นห้องสําหรับคนเดินทางมาแต่ไกลเหนื่อยอ่อนเป็นที่พักห้องหนึ่งจัดเป็นห้องสําหรับ เก็บข้าวเก็บของและสินค้าของพ่อค้าแม่ค้าพวกามาพักอีกห้องหนึ่งห้องเหล่านี้ได้ทำประตูทางด้านหน้ามกุกมีสนามเล่นมีโรวงวิจิตรไชคดีมันศาลมีทุกห้องแหมวิจิต ก, การตามีภาพอย่างวิจิตบรรจงเพราอย่างนั้นภาพสวยสวยห้วิจิตบรรจงลูลหลานที่ไม่เคยรู้ ได้รูปก็ได้ลูกหลานเล็กๆนะมีภาพสวยๆห้องสวยทุกห้องนอกจากนี้ก็ยังได้สร้างสระโบกนีถ้าว่าสระโบกนีนี่ก็คือสระใหญ่ๆลึกพอต้องคนมีน้ํใสสะอาดเขาเรียก็ว่าสระโปกนีมิฉนั้นลูกหลานจะไม่เข้าใจถ้ามีทางขึ้นลงท่าถึงร้อยท่า ดาดดาคือเต็มไปได้วยดอกบัวนานาชนิดก็ดอกบัวสวยๆต้นบัวสวยๆเอามาปลูกไว้ดาดูเพลินมีสวนต้นไม้ต่างๆพันมันไม้ไมไมไมไม แ, แปลกๆต้นไม้ต่างๆถ้าฐานที่เหล่านี้ก็เป็นความคิขามาดของมโหสถออกแบบให้ในช่างทมเมื่อมาทำเสร็จแล้วดูคล้ายเทวสภาคือเทวชุมก็เทวาดา ให้คลายนะไม่ใชเหมือนให้ทํำด้วยวัตถุในเหมือนไม่ได้เอาคล้ายขึ้นมาสวยมากที่ไหนเมื่อมีก็แล้วกันบรรดามาหาชนต่างกันมาประชมุมเป็นประจําวันมันนั่งที่ตรงนั้นเนะ่ะประชมุมก็มันนั่งคุยก็มั่งนั่งเล่นก็มาวันละมากมากโมโหสถทําหน้าที่เป็นผู้วินิฉัยทสันดีเป็นพี่ภาษาตั้งแต่ยังไม่ได้เรียนหนังสืออายุเจ็ดปี มีผู้มาขอให้มหสวัสมตัดสินโดยยุติธรรมมหสถตัดสินโดยยุติธรรมนีม่เห็นไหมลูกหลานที่รักไม่แต่เด็กๆนี่จะดูถูกไม่ได้ถ้าสนใจในวิชาความรู้เป็นช่างสังเกตช่างพิจารณาปัญญาอาจจะดีกว่าผู้ใหญ่ก็ได้แต่เอว่าแล้วก็อย่าไปดูถูกผู้ใหญ่นะอย่าคิดว่า ฟังเรื่องมโหสถเราจะกลายเป็นคนฉนลาดกับผู้ใหญ่ในะอย่างอย่างก่อนต้องดูตามความเป็นจริงอันนี้ท่านตามนังสือท่านกล่าวว่าจะกล่าวถึงเท้าที่เทฮาราชปราชาเมืองนั้นกษัราาตริย์แห่งเมืองมิจิลามหานครรองทรงมีบรรัณฑิตคือนะักประหลัประจําพระราชสนักเจ้สี่คน มีชื่อว่าเสนากะาคนหนึ่งเสนากะหรือเรล่าเสนกปุกระสะคนหนึ่งกามิ น, นทะคนหนึ่งเทวิ น, าน ท, าทายคนหนึ่งถ้าเรียกเป็นภาษาไทยก็เสนกคนหนึ่งปภูกระสะคนหนึ่งกามินคนห น, น, น, น, นึ่งเทวินคนหนึ่งถ้าตามภาษาวาลีทันโรงไยบัณฑิตหรือว่านักปราศีคนนี้ เคยกราบทูลพระเจ้าวิเทหราชไว้เมื่อเจ็ดปีที่แล้วมาความจริงเขาเก่งเขาไมยากร่เก่งปรากูนี่ว่าจะมีคนอีกคนหนึ่งเป็นบัณฑิตที่มีความฉลาดมากเกิดขึ้นเป็นคนดีงานี่บรราเขาเก่งจะมีสติปัญญาเหมือนเหนือบรรดาพวกเขาทั้งหมดที่ต้องกราบทูลน่ะก็หมายนี่ว่าจะเอาความดีความชอบ แ้าว่ทวนตรงตาลดรรราเขาบอกพวกเขาสี่คนน่สู้มันเกคนนั้นไม่ได้แต่ว่าต่อมาปรากฏว่าเจ้าสี่คนนี้กลายเป็นเจ้าเท่าสารพัดพิษมีอารมณ์อิจฉาลิสิยาอย่างหนักถ้าดูไปว่าพิษมันมากและเกินเป็นผู้หวังในการทำลายความสงบสุขของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เจ้ากวงชนในเมืองมิถิลามหานคร ทำลายความนีอิจชาิษยาคิดว่าตัวนะ่ะจะดีละะเลิศเฉยใครสู้ข้าวเจ้าไม่ได้แล้ ว, ว่าอาการทำออกมาในสมัยที่มโหสถัณิตเข้าไปอยู่ในสุนัขเขาเหล่านั้นกลายเป็นผู้ทำลายความสุขของชาติคุยกันต่อไปถ้าเยรู้ลีลาของเจ้าสี่เท่าสรรพัดฮิตเป็นว่าเมื่อพระเจ้าอิเทาราช จงนึกถึงคำเพียรกรที่บัณฑิตทั้งสี่คนนี้ได้เพียรกรได้ว่าเมื่อเจ็ดปีก่อนเ้าบอกอีกเจ็ดปีข้างห น, น้าต่อไปนี้เจ็ดปีจะมีบัณฑิตเกิดขึ้นมีปัญญามากกว่าบัณฑิตทั้งสี่คนยื่นได้ให้อมาตสี่คนแยกทางไปสืบหาดูไม่ใช่ไม่ให้บัณฑิตไปดูนะใช้อมามัดคือว่าขา้าราชการที่ใกล้ชิด ออมาที่ไปทางด้านปราจีนอาทิตตะวันออกเฉียงเหนือนะเห็นสถานที่คล้ายเทวสถานตรงนั้นก็ประหลาดใจจึงเข้าไปถามผู้ที่มันนั่งไปชมกันที่นั้นว่าสถานที่ตรงนี้นะ่ะเป็นที่มือของช่างคนไหนทามันถึงได้สวยสดงดงามอย่างนี้ เมืรับคําบอกเราวว่าเป็นผีมือของช่างคนหนึ่งซึ่งทําตามแบบของโหสถบัณฑิตแหมให้นามว่าบัณฑิตเป็นชัลาดบัณฑิตที่แปลว่าคนฉลาดนะนักปราศซึ่งเป็นลูกชายของท่านสิริวัฒกาเศรษฐีท่านมหาบัณฑิตคนนี้เพิ่งมีอายุได้เจ็ดปีอัมมาศคนนั้นก็ในนับปีตั้งแต่บัณฑิต เทั Savior, um, ้งสี่คนเคยพยากรณไว้แต่เจวีนพระแก่พระเจวิเถหราชก็ครบเจ็ดปีพอดีเขาไม่สงสัยว่าบัณฑิตคนที่ห้านั่นจะเป็นคนอื่นไปไม่ได้ต้องเป็นมโหสถบัณฑิตแน่แล้วก็มโหสถบัณฑิตลูกชายก็สิริวัฒกาศเศรษฐีคนนี้ต้องเป็นบัณฑิตคนที่ห้าแน่นอนเขาคิดไปอย่างนั้นนะ เขาจึงส่งคนไปกราบทูลพระเจ้าวิธีราชว่าบัดนี้ได้พบผลิตคนนิหานแล้วพระเจ้าค่ะมีชื่วอวโมโหสถเป็นลูกชายของศิริวัฒกาเกษฐีในบ้านปราจินทิตบ้านปราจีนเยวาวมัชคามนะอายุเจ็ดปีมีความฉลาดเกิอนอายุให้ช่างทรสฐานที่อันเป็นที่ มันเป็นรมเมอรนียสถานคล้ายเทวสภารมนียสถานนี่ลลหลกและหลวมทีละเขาแปลว่าเป็นสถานที่รื่นรมสร้างความชื่นใจสบายใจเกิดขึ้นในสถานที่นั้นเรียกว่ารมร ม, มนียสถานคล้ายๆกับที่ไปชมเทวดามันสวยที่งเข้าไปเลยที่นั้นก็เพลิดเพลินเจริญใจไม่อยากจะออกมา นี่เขมมาเรว่ารามณียสถานนะที่ทาก็มันได้ก็ได้สายความคิดคนตัวเอง <c oughs> จะนำมโหสถก็าถามไปว่าถึงเวลาหรือยังที่จะนำมโหสถเขาเฝ้าฝ่าย ว, าวาจาวิเทหราได้ได้สดับข่าวดังนั้นก็พอกระถ่ายรัถาม ตัดให้เรียกเสนกบัฑิตมาศึกษาว่าบัดนี้มีคนก็ส่งข่าวมาว่าบุตรเสิริวัฒกาเศรษฐีที่ว่ามโหสถ <c oughs> มีอายุได้เจ็ดปีมีปัญญาล้นเหลือสามารถทีออกความคิดให้ช่างสร้างสถานที่ในเป็นที่สบายใจรื่นรมเหมือนกับเทวสถานซึ่งเป็นลักษณะอาการแปลกของเด็ก ตามธรรมดาเด็กเล็กๆขนาดนั้นไม่สามารถจะมีปัญญาอย่างนั้นได้ท่านเห็นสมคนรเปนปราการใดพวกเราควรจะนำเข้ามาเฝ้าใดแล้วหรือยัง <c oughs> เข้ามาเฝ้าคำว่ า, าเาข้ามาเฝ้าคือเข้ามาหาสหนับท่านเสนกเป็นผู้ที่ไม่อยากเคงใครดีกว่าเห็นไ้ยล่ะโกหลานที่รัก นุ้มบวบอกแล้วว่าเจ้าสี่เท่าสารพัดพิษเนี่ยมันมีจิตอิจฉาทายาคนที่ดีกว่าตนคิดท่านนองว่าตนแน่เป็นผู้วิเศษกว่าใครใครไม่ดีกว่าตนแนท่ทั้งทั้ๆที่ตำราก็ก็บอกไว้ที่แรกพยาคอนตามตำราจะเอาหน้ากับพระเจ้าแผ่นดินเพราะตนสี่คนนี่ดีแต่ว่าคนดีจะมีที่ต้องการรางวัน ถ้าเมื่อมีคนดีเข้ามาจริงๆกลับวิทยาเขายิงเขาจิงกราบทูลว่าขอเด้ชะผู้ที่เชื่อว่าเป็นบัณฑิตไม่ใช่ว่าจะฉลาดเพียงแค่สร้างสถานที่แต่มันในเรื่องการสร้างสถานที่ไฮสวยสวยวิเศษมันเป็นศิลปะของช่างใครๆก็ทำได้ ขอนี้เป็นเรื่องเล็กๆกนน้อยปัญญาแค่นี้เขาเรียกว่ายังเป็นปัญญาแค่หางอื่นยังไม่ควรจะถือ ว, ว่าเป็นบัณฑิตคือเป็นนักปราพรจนาสำหรับพระเจ้าวิทยาราชเดือกฟังคำของท่านอาจารย์เสนโนกราทูนแบบนั้นก็ทรงนี่นึกในใจว่าเอ๊ะมันยังไงกันแน่เพราะว่ายังไม่ควรก็ไม่ควร ทรงนิ่งอยู่เพื่อคอยดูการต่อไปยังไม่แต่ใจผู้มากราบคุณข่าวทรงข่าวว่าขอให้อมัด ร, รอดูปัญญาขโมโหสถต่อไปอีแต่นั่นไปก็เลยไม่ต้องกลับเราไปนั่งดูอยู่ที่นั่นแหละในเรื่องราวต่อไปนี้นะก็ไปสแสดงการคว า, า, ามเฉลี่ยขโมหสถที่วินิจฉัยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แล้วก็เสม็จไปเป็นเรื่องเรืๆแม้ตอนนี้สําหน่งกําลังยันดีถึงเวลามาันจะหมดเใอเวลาห้านาทีแต่เรื่องนี้ต้องว่าจะเบรนเดนนะลูกหลานที่รักท่านบอกว่าเกิดเรื่องที่จะนั่งคิดว่าปัญญามโหสถ ด, ดีมันเป็นเรื่องของชิ้นเนื้ อ, อนนเรื่องของชิ้นเนืเรื่องราวมันอย่างนี้ถ้านบอกวันหนึ่งมโหสถบัณฑิตเล่นอยู่ที่สนามเล่นก็มีอยู่ตัวหนึ่ง โอเอาชิ้นเนื้อได้มาแล้วก็บินไปในอากาศบรรดาพวกเด็ ก, เ, ดกเห็นเหี่ยข้าบชิ้นเนื้อบินมาก็าวิ่งไล่ตามเงินมากคือไปดูเหว่แล้วก็จะโคงร้องดังๆฟังได้เหี่นะั้นมันตกใจก็ทิ้งชิ้นเนื้อลงมาขณะที่วิ่งไปได้ดังเงินดูข้างบนเท้าก็สะดุด ตอบ้างประดุดหินบ้างตกหลุมบ้างล่มลุกครามไปตามๆกันเดี่ยวมันก็ไม่ยอมปล่อยชิ้นเลยอะทนี้ก็มันดูปัญญาของมโหสถสำหรับมโหสถบันเห็นเพื่อนๆทำแบบนั้นรับความลำบากก็สาบักว่านี่เดี่ยวพวเธออยู่เธอฉันจะจัดการเองจะเาชิ้นเนื้อชิ้นนี้มาให้ได้ เมื่อกล่าวกัมมันดาเพื่อนทั้งหลายแล้วก็วิ่งไปด้วยความเร็วก็เร็วพระนพพัดวิ่งเก่งหมายน่าจะมาวิ่งกีฬาสมัยนี้ในกะีฬาวิ่งวิ่งเวลาวิ่งถ้ามาเด่งนห น, น้าไปดูข้างบนวิ่งไปแล้วกลมมองไปข้างล่างไปที่พื้นดินด้วยกายละมัดระวางแล้วสังเกตเงาของเหววิ่งไปถึงเงาของเหวแล้วก็ว่าถึงเงาคือเท้าเหยียบเงาเหวก็สแสดงว่า ถึงจุดที่เยี่ยวปินอยู่แล้วก็ปบมือเอามือตบ ก, กันเสียงดังลั่นเยี่ยวตกใจทิงชิ้นเนื้อลงมาโมโหสดให้เอาชิ้นเนื้อหล่นก็แง่น่ากันไปรับโดยไม่ชิ้นเนื้อตกก็มาถึงเพื่นกินลูกหลานที่รักเม่อกิ้ลืมทายกันไปนะว่าทํายังไงลูกหลานจะเอามาได้ลืมทายซะ แ, แล้วเอาละลืมทายกันแล้วไป นี่เป็นปัญญาที่คนอื่นคิดไม่ถึงลูกหลายคิดถึงไหมว่าทาเช่นนั้นจะมีผลอย่างนั้นเป็นนั้นว่ามหาชนให้ความสามารถก็มโหสุดดังนั้นต่างก็พากันปรบมือส่งเสียงโหร้องเสียงแซ่ดือความยินดีท่านนัมาเห็นดังนั้ น, น, นจึงได้ส่งโทษโไปตราบทนพระเจ้าวิเทหราชให้ทรงทราบพระเจ้าวิเทหราชก็สั่สั่งธรรมอาจารย์เสนก เจ้าเท่าสรารพทิตเป็นไม่ได้จิตอิจฉาทิยาว่าอาจารย์ว่ายังไงสมควรจะนำมโหสถมาได้แล้วหรือยังเจ้าเท่าสรารพัดคิตเสรนนกคิดในใจว่าถ้าหากว่ามโหสถมาอยู่ในพระราชสำนักเราก็หมดรสมีความดีเราไม่เท่าพระราชาจะทรงลืมพวกเรา เราไม่ควรจะกราบทูลให้นำมาขสถตมาคิดแล้วยังกราบทูลว่าขอเดชะคนนี้ื่อว่าเป็นนักราชนะ่ะไม่ใช่เพียงเท่านี้เพราะว่าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆจริงๆนี่เอาดูทีนะะลีลาเจ้าเท่าสรรพัดพิษเนี่ยมาเลนะ้นเล่น่ม่อเจ้าวิเทยาร่ายกระงรับสั่งให้ทูรกลับไปแล้วและสั่งความว่าไปบอกอมมาที่เราใช้ไปนะ ไม่คอยทดลองดูปัญญาของมโหสดต่อไปพูดมาถึงตอนนี้ลูกหลานที่รักทั้งหลายลรรดาท่านพุทธศาสนิกชนมองดูเวลาที่ตั้งไว้เหลือครึ่งนาทีจะว่าย่างไงมันก็ไม่ได้เรื่องแล้วนี่สำหรับวันนี้ก็ขอลาก่เพราะความสุขสวัสดิที่พัฒนาวงคนสมบูรณ์ผ ล, ผล จงมีเด็ลูกหลานที่รักกัรมันดาท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่านสวัสดี